คาถาที่สามหน้าสองว่าภิกษุใดยังตันหาให้เหือดแห้งไปทีละน้อยทีละน้อยอ น, นะคั่วตันหาให้มันแห้ง น, นะทีละน้อยแล้วก็ตัดเสียให้ขาดไม่มีส่วนเหลือภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่ค้ำคร่าแล้วฉะนั้นอธิบายว่าอธิบายหน้า36มคาถาวาโยตันหามุทัตชิตา ถามว่าเรื่องราวมีเกิดมาอย่างไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งอยู่ที่ฝั่งสะบกคารีสะบกคารีชื่อว่าค้าครานเนี่ยนะกำลังตรึกอกุศลวิตกอยู่ด้วยอํานาจของตันหาแปลว่ากามาวิตกกลุ่มรุมมากเลยพระองค์ทราบอัธยาศัยก็เลยตรัสคาถานี้ว่าทําตันหาให้เหือดแห้งไปทีละน้อยแล้วก็ตัดไม่ให้มีส่วนเหลือเนี่ยนะ เพราะว่าข้อปฏิบัติในพระาศาสนาก็มุ่งกําจัดฉันทราคะมุ่งกําจัดตันหาที่เธอกําลังคิดอยู่นั่นแหละว่างั้นที่ชื่อว่าตันหาเพราะเป็นเครื่องสะดุ้งว่างั้นทำให้ใจนี่มันสะดุ้งก็เจงอะนะก็ลองวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งตันหาแปรไปสิใจจะเป็นยังไงใจก็สะดุ้งอยู่แล้วเพราะตันหานี่แหละเป็นตัวสะดุ้งเนี่ยนะสะดุ้งด้วยอํานาจตันหาด้วยอํานาจความปรารถนาสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีตันหาจะไม่มีตกใจ แต่จะเนื่องจากมีตันหานั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ตกใจที่เรียกว่าสะดุ้งเนี่ยนะอธิบายว่ามูสัตว์ย่อมไม่ถึงความอิ่มด้วยอารมณ์ทั้งหลายก็ด้วยอํานาจของตันหานี่แหละตันหานี่แหละทําให้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพออย่างเช่นเวลาเราดูซะให้พอเนี่ยนะมีไหมดูแค่ไหนจึงจะพอฟังซะให้พอเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่ามันพอตันหาไม่ยอมพอ ง, ง่ายๆหรอกนะนะบอกว่าเก็บไว้ดูต่อ เก็บไว้ฟังต่อเก็บไว้ดมต่อเป็นต้นเนี่ยนะก็ลักษณะนั้นทั้นตันหานั้นจึงไม่อิ่มนั้นทะเลคือตันหามหาสมุทรคือตันหาที่ถมไม่พอถมไม่เต็มตันหานั้นเป็นชื่อของกามะตันหาภวะตันหาและเวภวะตันหากามะตันหาก็คือตันหาที่เพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นส่วนภวะตันหาก็คือตันหาที่บวกกับสัสตติทิเวภาวตันหาก็ตันหาที่บวกกับ อุเฉดทัททิฐินั่นเองคำว่าตันหานี่นะตันหาที่ท่วมทับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่วมทับอย่างไรคือตันหาที่มันไหลท่วมทับสัตว์โลกอล่ตั้งแต่เบื้องล่างจรดถึงพวกรพรมนนะเป็นที่โคจรแห่งตันหาได้ทั้งหมดพวกรพรมก็คือเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเนวสัญญาณาสัญญาญตนะก็มีตันหานะบทว่าสีฆาสรังได้แก็บ มีปกติไปรวดเร็วอธิบายว่าตันหาซึ่งไม่คํานึงถึงโทษที่เป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพสามารถเพื่อจะให้จักรวาลอื่นบ้างพร ะ, ะกระพรมบ้างโดยคู่เดียวหมายความว่ามันจะไปไปไหนก็ได้แล่นไปแว บ, บเดียวเนี่ยนะไปไหนก็ได้แบบนั้นจักรวาลอื่นก็ไปได้พระวะกระพรมก็ไปได้แวบบเดียวหน่ะ น, นะเพราะนั้นตันหาไอความต้องการเนี่ยนะเวลาเกิดความต้องการขึ้นเกิดความปรารถนาขึ้นไม่รู้เลยว่าโทษปัจจุบันจะมีอะไรบ้าง โทษต่อไปในอนาคตสัมปรายพบ พ, บพบต่อต่อไปจะมีอะไรบ้างไม่สนใจอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะตันหาก็เล่นไปอย่างเดียวนะเวลาที่ตันหาครอบงำนะมันมีแต่ความมืดมีแต่ความปกปิดมืดบอดเนี่ยนะก็เลยมีแต่ความต้องการในความต้องการอ น, นั้นไม่สนใจเลยว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะ ส่วนผู้ใดทำตันหาซึ่งสร้างไปอย่างรวดเร็วแม้โดยประการทั้งปวงให้เหือดแห้งไปทีละน้อยทีละน้อยโดยการพิจารณาถึงโทษของตันหาอย่างนี้ว่าก็ชนเหล่าใดปรารถนาอยู่ซึ่งตันหาอันกว้างขวางไปในเบื้องบนอันบุคคลให้เต็มโดยยากอันมีปกติสร้างไปย่อมติดมั่นตันหานั้นชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งจักคือลอ้อก็แปลว่าอะไร ใครที่ก็ตามที่สรรเสริญยกย่องตันหาคนเหล่านั้นก็ทรงไว้ซึ่งสังสารจักรทรงไว้ซึ่งสังสารวัทรงไว้ซึ่งสังสารทุกเพราะอะไรเพราะเพิ่มแต่พลังให้แก่ตันหาอยู่ตลอดเวลาถ้าเพิ่มพลังแห่งตันหาแล้วมันจะรู้จักจบจักสิ้นไหมมันก็ไม่มีจบไม่มีสิ้นอย่างทวารตาก็มีตันหานี่สร้างตาขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มตันหาตันหาสร้างหูขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มสรัทธาตันหาตันหาสร้างจมูกมาเพื่อเพิ่ม คันธะตันหาตันหาสร้างลิ้นมาเพื่อเพิ่มร่าสะตันหาตันหาสร้างกายมาเพื่อต้องการโพธพะตันหาตันหาสร้างใจมาเพื่อต้องการธรรมตันหามันถ้าเพิ่มตันหาเท่าไหร่มันก็สร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะได้มาเจริญตันหามันก็ยาวไปอย่างนี้โดยให้ไม่มีจบมีสิ้นถมยังไงก็ถมไม่เต็มก็ไลไปเรื่อยแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นผลพวงของตันหาก็ชรามรณะไปตันหาก็ไม่ยอมไม่ได้ พังก็พังไปสร้างใหม่ก็ได้เห็นเดือดร้อนเลยตันหาก็สร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจใหม่เรียกว่าชาติพอชาติคือเจริญเติบโตขึ้นมาแก่เอ้าแก่ป่วยตา ย, ตา ย, ต, ายตายก็ช่างจั้นก็สร้างขึ้นมาใหม่ต่อไปจะเป็นอะไรก็ช่างนั้นภาระหน้าที่ของตันหาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อบำเรอรูปปตัตนหาสัทธาตันหาเป็นต้นเนี่ยนะเพิ่มพูนต่อไปไม่จบไม่สิ้นไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะั่นก็พันใครที่ เจริญตันหาผู้นั้นก็ทรงไว้ซึ่งสังสารจักสังสารวัตรนนะเพิ่มพูนสังสารวัตก็ไหลเวียนไปเถอะเหมือนกับว่าล้อเนี่ยมันจะไปพังที่ไหนเครียกว่ากลงล้อแห่งสังสารจักรเนี่ยนะถ้าไม่ไม่ฆ่าไม่ทําลายด้วยอรหัตธรรคจริ ง, รงๆเนี่ยยากเนียไปยไม่มีหยุดมีย่อนนะเดี๋ยวก็ไปกันอีกแล้วเนี่ยบรุษผู้มีตันหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปอยู่ตลอดกาลนานย่อมไม่ข้ามพ้นสังสารวัตซึ่งมีความเป็นอย่างนี้ และความเป็นอย่างอื่นไปได้ของเรานี่อยากคิดเราไปคนเดียวนะมีเพื่อนไปด้วยมันกระซิป บ, บอก mm hmm. เพื่อน น, ะนั้นสิเชื่อหน่อยโอ้เชื่อฟังหมดนะนะแล้วแต่เพื่อนเขาจะกระซิปว่ายัางไงวันที่ไปไปทุกคนทุกแห่งก็มีเพื่อนไปด้วยไม่ได้ไปคนเดียวหรอกนั่นะปัญหามันคอยกระซิป บ, บอกเอานั่นสิอันนั้นอันนั้นดีนะทํานั่นหน่อยซีนั้นเนี่ยนี่น่าดูนะัแวะนน่้นหน่อยซี น, นั่นก็บอกไปเรื่อยกระซิปไปเรื่อยก็เลยไปไปไปนะ ไปเพิ่มพูนขันธาตุยัตนะเพิ่มพูนสังสารวัตรก็เลยไม่พ้นสภาพที่เห็นเห็นนี่แหละเห็นเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เห็นแต่ดีๆใช่เห็นเลวร้ายแค่ไหนก็ถ้ายังมีตันหาเป็นเพื่อนพาไปอย่างนี้ในที่สุดก็ประสบแต่ความเลวร้ายทั้งพบนี้แหละพบต่อไปการฟังอย่างนี้เนี่ยนะก็ฟังเพื่อให้รู้ถือว่าถึงเราจังอยู่ในตันหายังถูกตันหาครอบงำแต่สักวันหนึ่งจะต้อง กำจัดตันหาที่เป็นพิษภัยเนี่ยนะฟังเพื่อเห็นโทษตอนนี้ยังกำจัดไม่ได้แต่ปัญญาที่เห็นโทษแห่งตันหามุ่งไปเพื่อกำจัดตันหาอันนั้นก็เป็นอุปนิสัยเพื่อแทงตลอดอริยสัจแล้วเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายนะเพราะว่าตันหานี่มันแหมมันครองเรียกว่าถูกตันหาปกครองใจมานานเนี่ยนะวันนี้ก็ถือว่าฟังคาสอนที่ให้เห็นทุกเห็นโทษการปกครองของตันหาที่แม้ เบียดเบียนเหลือเกินนะเข็นฆ่าเนี่ยนะโบยตีให้ประจวบไปกับชรามรณะในที่สุดตันหาก็พาประหารอยู่นั่นแหละเมื่อพิจารณาอย่างนี้เท่าไหร่ก็ในที่สุดบอกว่าจะต้องฆ่ า, านะพระเจ้าตันหาให้ได้เนี่ยนะมารเมืองจะได้สงบร่มเย็นสักทีหนึ่งนะอีกที่หนึ่งที่ยกมาจากรัฐบาละสูตรที่พระรัฐบาลกล่าวกับพระเจ้าโกรพยยว่ามหาบาพีษ โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแทงตันหาก็บอกว่าอา้าวอธิบายให้ฟังหน่อยเป็นยังไงเขบอกว่าตอนนี้พระองค์อายุเท่าไหร่บอก80แล้วงั้นพระเจ้าโกรพยะตอนนั้น80เนี่ยนะถ้ามีคนที่พระองค์ไว้เนื้อเชื่อใจได้มาจากสมุทรภากโนนบอกว่าเมืองโน้นนะมีผู้หญิงปกครองอู้บ้านเมืองอ่อนแอแต่ข้าวปลาเป็นต้นอุดมสมบูรณ์นี่พระองค์จะทํำยังไงบอกใช้กองพลไม่เท่าไหร่เนี่ยนะรบแป๊บเดชนะเลยพระเจ้าค่ะ พวกมจะทํำยังไงบอกข้าพเจ้าก็สรงกองทัพไปนะสิว่าไงส่งไปกองทัพชิงเอ า, เอาถ้าอีกฝั่งหนึง่งทะเลอีกฝั่งหนึ่งเขาส่งข่าวอย่างนี้มาพวกมึ์ทํำยังไงก็ส่งกองทัพไปอีกอ น, นะถ้าอีกฝั่งหนึ่งอีกภากหนึ่งแล้วก็ทําไงก็ส่งกองทัพไปอีกอ น, นะเขบอกว่าขนาดได้ฝั่งนี้เรายังปรารถนจาจะข้ามไปอีกฝั่งโน้นต้องการจึงไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอก็ด้วยอํานาจของตันหามันพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มจริงๆ แม้แต่ที่มีแล้วก็ต้องการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นมันมีแต่กระหายยิ่งขึ้นไปรถแห่งตันหาเนี่ยไม่ใช่ดื่มแนละ้วมันจะดับกระหายนะไม่มีแต่เพิ่มความกระหายมีแต่เพิ่มความต้องการเนี่ยนะไม่มีคําว่าหยุดไม่มีคำว่ า, ย, วาย่อนอะไรสักอย่างเลยนะตัวตันหาเป็นอย่างนั้นมันทําให้พร่องเนี่ยนะพร่องถมเทอทวันไหนที่มันถมเต็มบ้างเนี่ยนะมีเท่านั้นแล้วจะพอแล้วพอไหมเช่ไปถึงจุดนั้นนะฉันก็พอแล้ว ไม่เห็นนะพูดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วใช่หเห็นพอสักอย่างแลกันถ้าได้อันนั้นก็พอแล้วเนี่ยนะพอเฉพาะเรื่องนั้นนะเรื่องอื่นเอาอีกเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วนะบอกคนละประเด็นกนันาอ้นะถามว่าที่จะละตัณหาละได้อย่างไรถ้าบอกว่าละด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีศีละสังวรเป็นต้น ประการที่กล่าวแล้วนะละด้วยศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรวิริยะและขันติสังวรแต่ทางข้าประหารวิขมพนะาประหารและสมุดเฉทประหารเพราะข้อปฏิบัติเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องละตัดการละการตัดยังไงก็ไม่พ้นจากวินัยมีสองครับวินัยมีสองหนึ่งสังวรวินัยกับประหารนวินัยเพราะข้อปฏิบัติยังไงก็ไม่พ้นสังวรและประหานะสังวรก็สังวรหประหารนะข้อ ปหาหนหข้อปฏิบัติในาศาสนานี้อยู่เท่านี้จริงๆศึกษาไปเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านี้แหละศึกษาสูตรไหนสูตรไหนก็มีอธิบายอยู่เท่านี้แหละสังวรประานกับ สังวรวินัยกับประหารนะวินัยก็มีอยู่เท่านี้จริงๆอธิบายเพื่ อ, อยกข้อมูลยกเรื่องราวเหตุผลประกอบเพื่อให้เจริญสังวรวินัยกับประหาวินัยเพื่อให้เจริญศีลสังวรสติสังวรขันติวิริยะสังวรเป็นต้นเพื่อให้เจริญตะทางข้าประหารวิขมพระณาประหารตลอดจนถึงสมุเทเฉทปหาตรงนี้ก็บอกว่าถ้าทาสาเร็จตัดตัหาไม่ให้เหลือด้วยอรหัตตมรัก อรหัตตมรรคที่เจริญแล้วนี่แหละพิกษุผู้มีอรหัตตมรรคชื่อว่าละฝั่งในและฝั่งนอกได้โดยประการทั้งปวงในขณะนั้นนั่นเองจบคาถานี้พระพิกษุรูปนั้นก็เป็นพระอรหันต์แม่เกิดสมัยพุทธกาลนี่ดีจริงๆนั่งอากุศลวิตตกอยู่ดีๆพระพุทธเจ้ามาสอนมรุ้กเลยเนี่ยนะออแจว